พ, นะพูดถึงดีใช่ไหมพอพูดถึงดีปุ๊บมันก็มีอีกคำหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคำว่ามงคลงานมงคลี้หรือว่าของมงคลนี้มงคลมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นศัต บ, บารีใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้แปล แล้วก็ทับศักด์กันไปใช้แบบทับศักท์ทับศักด์ทีนี้พอพูดถึงคําว่ามงคลแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนเหมือนกันนะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เป็นยุคสมัยที่วัตถุก็ยังไม่ได้เจริญมากใช่ไหมก็เป็นยุคสมัยที่คนเนี่ยก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ าทางด้านจิตใจแสวงหาความดีงามว่าอะไรทำแล้วมันดีอะไรทำแล้วไม่ดีมันก็มีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ตามตำนานท่านก็ว่าไว้ว่ า, วาก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับ สักเขาเรียกเหมือนไฮพาร์คอะเหมือนเป็นที่แหล่งรวมคนมาประชุมกันแล้วก็มันแลกเปลี่ยนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอินเดียเนี่ยผมว่า เ, เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องที่จะแบบมาคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะถ้าใครไปอินเดียเอะพอเห็นภาพอะคนอินเดียนี่โอ้หจุ๊จ๊จุจ๊ไปชอบคุย เพระนั้นมันก็จะมีที่เขาเรียกที่ว่าคนจะมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแลกเปลี่ยนปรัชญาความรู้กันก็มีประเด็นเกิดขึ้นมีคนตั้งคําถามขึ้นว่าอา๊อมงคลมันเป็นอะไรกันแน่อะไรบ้างที่เป็นมงคลก็มีคนนําเสนอว่ามงคลหรอก็สิ่งที่เราเห็นไงสิ่งที่มันเจริญหูเจริญตา เห็นโคอุสภะบ้างเห็นคนใส่ผ้าขาวบ้างอะไรเหล่านี้นะ่นี้ตามตำนานตามตำราท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นจริงๆมันน่าจะมีรายละเอียดเยอะแยะกว่านั้นนะแต่มายถึงว่าท่านก็เขียนมาคร่าวๆว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นค่านิยมของคนสมัยนั้นว่าเป็นดีงามอะอย่างโคอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็น อานะของพระศิวะใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็ให้ความเคารพเพราะว่าเป็นสัตว์ของพระศิวะทีนี้ก็เลยหมืกัว่าการได้เห็นโคนี่เป็นน่าจะเป็นเรื่องเจริญหูเจริญตาอย่างหนึ่งการเห็นคนใส่ผ้าขาวสะอาดเนี่ยก็เป็นที่เจริญตาเจริญใจ เขาก็ถือว่าคนบางกลุ่มก็จะถือว่าอ่น่าจะเป็นมงคลละ่ะอันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะจากมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกว่าอืมถ้าสิ่งที่เห็นเป็นมงคลแล้วแล้วถ้าเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะอย่างเช่นเห็นคนที่ว่าถือสัตราเวริรไปฆ่ากันเนี่ยเอามันสิ่งที่เห็นมันก็ไม่ใช่มงคลนะ เพราะนั้นมันไม่ได้เป็นมงคลไปเสียทุกอย่างหรอกสิ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นมงคลคือการเขียนสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็ดนคนคัดง้างความคิดความเห็นอันนี้ไปก็โดนโดนคนตีตกไปคนที่ตีตกไปก็นําเสนอว่าเอา้าไม่ใช่สิ่งที่เห็นหรอกที่เป็นมงคลไอ้สิ่งที่เราได้ยินต่างหาก คือสิ่งที่เรียกว่ามงคลมีการที่เราได้ยินเสียงว่าอ้าวเจริญแล้วจเจริญแล้วชโยชโยอยู่เป็นต้นนะแล้วก็ได้ยินคำสรรเสริญนี้อ้าวจะเป็นมงคลคนที่เห็นด้วยก็เ อ, อ้ใช่ใช่ใช่คนที่ไม่เห็นด้วยก็นําเสนอว่าอา ถ้าเสียงที่ได้ยินมันเป็นมงคลเสียทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะแล้วถ้าเราได้ยินเสียงคำด่าคำว่าละเสียงนินทาละมันไม่เป็นมงคลนะหรือเสียงคำสาปแ ช, ช่งเนี่ยมันไม่เป็นมงคลนะก็นำเสนอไปต้องอารมณ์ที่น่าพอใจสิที่เราได้จากการนุ่งห่มผักขาวเป็นต้นเหล่านี้ ได้ภาษาที่มันดีอ่ะง่ายภาษะทางร่างกายที่มันดีซึ่งมันก็มีการถกเถียงกันไปต่ตางๆนานาคนนี้ก็หวายงั้นมีข้อบกพร่องตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันไม่ใช่ระยะเวลาเล็กน้อยนะคินเวลาเป็นตั้งส2บปีหาข้อตกลงกันไม่ได้แล้วก็ นอกจากจะเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ของหมู่มนุษย์ก็เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ของเท ว, วดาและหมู่พรหมไปด้วยเพราะว่าหมู่มนุษย์ก็ถกเถียงกันใช่ไหมเท ว, วดาที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ก็เอ้ยมันมีประเด็นอะไรกันนะก็ไปรับรู้รับทราบประเด็นมาแล้วก็ก็มาถามกันเหมือนกัน ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้จนล่วงไปแล้วตั้งสิบสองปีจนมีเทวดาองค์หนึ่งก็เอาละอย่างนั้นเราไปลองถามเท้าสักกเทวดาดูสิผู้เป็นใหญ่ในหมู่ของเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านน่าจะมีความรู้พอที่จะ มาไขแล้วก็หาบทสรุปให้กับข้อถกเถียงอนี้ได้พอไปเข้าไปถามท้าวสักการปุ๊บท้าวสักกาก็บอกว่าถามกลับกับเทวดาที่มาถามว่ายุคนี้พระเจ้าอุบัติขึ้นไหมอ๋ออุบัติขึ้นแล้วแล้วพระองค์ประทับที่ไหนล่ะอ๋อประทับอยู่ที่ วิหารเชตวันที่สาวัตถีเอางั้นเธอจงไปเธอจงพาหมู่เทวดาไปไปกราบคุณถามเรื่องนี้กับพระเุ้เจ้านะอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่ว่ า, าประสูตที่ชื่อว่ามงคลสูตร์ก็คือ เป็นที่ตกเถียงกันนั่นแหละว่าอะไรมันเป็นมงคลเป็นมงคลถกเถียงกันไปตกเถียงกันมาก็มาถามทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงความคิดความเห็นของพระองค์ดูบ้างแล้วมันจะจบลงได้ไหมแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยบางทีคนมาถามว่าอะไรบ้างเป็นมงคลอย่างเก่งก็ตอบอย่างสองอย่างนั้นแหละแต่พระเจ้านี่ ไม่ใช่ครบราณอาจารย์ท่านเขียนอธิบายไว้ยกย่องสรรเสริญไว้ว่าเปรียบเหมือนคนที่มีผู้เป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางอ่ะมีคนมาขอแต่น้อยก็ให้มากมีคนมาถามถึงมงคลก็แทนที่จะพูดหนึ่งสองสามประเด็นก็แจกแจงให้ตั้งสามสิบแปด ก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยมงคล38อย่างอย่างที่เราก็น่าจะพอได้ศึกษากันมาบ้างก็เริ่มต้นด้วยที่อาศิวนาจบาลังคือการไม่คบคนผ่านแล้วก็ต่อด้วยปันดิตานนันเะเสวนาก็คือการที่เสพคบกับบัณฑิต อันนี้ก็เป็นมงคลสองข้อเริ่มต้นที่พระพุ่เจ้าแสดงเอาไว้ให้พอเราลองใครครวญพิจารณาให้ดีเนี่ยเวลาแค่สองข้อเนี้ยถ้าเราทำได้เนี่ยความเจริญกก้าวหน้าความดีงามมันต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติได้แน่นอน การที่เราไม่เสพครบกับคนพาลเหลีกเลี่ยงเพราะว่าคนพาลเนี่ยก็พาให้เราไปคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีพาให้เรามีความเห็นผิดเห็นผิดจากคำนองครองธรรมให้เราทำบาปอากุศลได้พอเราเสพคุนเราเสพคุนกับใครเนี่ยความคิดความอ่านความเห็นเนี่ยเราก็เทไปทางนั้นแหละเหมือนพวกลากมากไปนะ เพราะนั้นท่านจึงสอนให้เลือกที่จะครบคนก่อนให้เลือกที่จะครบคนไหนไม่ดีเราก็อย่าไปเสบครบมากอย่าไปเสบคุ้นมากให้เสพคุ้นกับใครให้เสพคุ้นกับบัณฑิตคนที่นำพาเราไปคิดดีทำดีพูดดีหรือว่าคนที่เสพครบแล้วเนี่ยทำให้เรามีความเห็นที่มันถูกต้อง มีความเห็นที่นําพาไปให้เราพัฒนาตนจนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลดทอนความทุกข์ทำความทุกข์ให้มันหมดไปจากใจเวลาคนเรามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์มากทุกกุ้มรุมนี่มันก็มีความคาดหวังว่าใครหนอ ขอแค่สักคนหนึ่งคนที่รู้คนที่รู้อุบายสักอย่างหนึ่งที่จะนำพาเราให้ออกจากทุกข์ได้เวลาคนเรามีทุกข์มันก็อัดอั้นติดตันอั้นตู้แบบนี้แหละก็อยากจะหาคนช่วยเะนั้นขอแค่สักคนนี่แหละที่มาชี้ช่องออกจากทุกข์ให้เราได้ก็จะดีมากเพราะฉะนั้นก็ ท่านถึงให้เสพคบกับบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตก็เป็นคนที่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุของความดีรู้จักเหตุของความชั่วพอรู้อย่างนี้ก็นําพาคนที่มาคุ้นเคยด้วยเนี่ยก็พาให้หลีกเว้นจากการทําความชั่วแล้วก็มาประพฤติในเหตุที่มันดี พอเรามีเพื่อนเสพครบกันแบบนี้เนี่ยความเคยชินความคุ้นชินความสนิทสนมที่มันมีมันก็พาให้เรามีความคิดคล้อยตามไปในแบบเดียวกั น, นพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยชีวิตมันก็มีความสุขที่มันมากขึ้นมีความทุกข์ที่มันลดลงแน่นอน นอกจากจะมีความสุขที่มันเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ที่มันลดลงแม้แต่การงานภายนอกเรื่องการทามาหากินอย่างนี้มันก็มีความเจริญก้าวหน้าไปได้ดีเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตรู้จักความพอดีทำอะไรก็ไม่เกินตัวรู้จักความสามารถของเราว่าเรามีเท่าไหร่ ธรรมีเท่าไหร่แล้วก็ทำไม่ให้มันเกินตัวแล้วเราก็พัฒนาศักยภาพของเราให้มันเพิ่มขึ้นเราก็มีโอกาสที่เราจะขยับขยายงานที่ทำให้มันได้มากขึ้นประณีขึ้นดีขึ้นเราก็จะมีเส้นทางที่เราเดินเนี่ยเรียกว่าเส้นทางที่มันไม่ประมาทความประมานี้มัน ฟังดูก็อาจจะผ่านๆใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงความประมาทเนี่ยมันเป็นอะไรคำสั่งเสียสุดท้ายเลยนะของอพระพุทธองค์เนี่ยเวลาก่อนที่พระรุทธองค์จะจะทรงปรินิพพานเนี่ยก็ประโยคสุดท้ายคำพูดสุดท้ายก็ตรัสพูดถึงความประมาทนี่แหละถ้าจะบรรยายให้มัน เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยคำสั่งเสียสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องกลั่นออกมาอย่างดีมีอะไรอ่าสมมติถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเคยซ่อนทรัพย์สินเอาไว้ตรงไห น, ต ร, ไหนตรงไหนที่ยังต้องจัดการ่มันก็จะประมวลมาหมดแลลวแล้วก็สั่งเสียกับลูกกับหลาน อันนี้ก็คล้ายๆกันเวลาที่จะเสด็จถับขันปริพานแล้วเนี่ยคำสอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำสอนที่กลั่นให้มันครบถ้วนกระบวนความกินใจความกับ45พรรษาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์ใช่ไหมซึ่งคำสั่งเสียสุดท้าย ที่พระเัชกาได้ทรงประทานไว้ให้ก็คือวิยธรรมมาสั้งค่าราสังขาราขาทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะอภปมาเดนะสัมปะเดธาขอเธอทั้งหลายเนี่ยจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือถ้าจะแปลอีกในหนึ่งก็ยังความประมาทให้มันถึงพร้อมนะก็แล้วแต่ ใครจะแปลยังไงก็ได้ไง่ายก็คือมาสรุปลงตรงที่ว่าเราอย่าประมาทนะเราต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเราประมาทเนี่ยเราก็พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วไปแตถ้าเราไม่ประมาทเราก็มีธรรมคอยนําใจคอยคุ้มครองใจคิดก็อยู่ในกรอบของธรรมคิดก็อยู่ในกรอบของสัมมาสังกัปปะ คือความตำริชอบคือคิดที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์เองคิดที่จะไม่ผูกพยาบาทแล้วก็มีความคิดที่จะหลีกออกจากการรมอันนี้ก็เป็นกรอบใหญ่สุดของความคิดที่มรรคแปดเตตีกรอบความคิดเอาไว้ให้แต่ในรายละเอียดชั้นในอย่างเช่นคิดอยากจะให้ทาน คิดจะมาฝึกสติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยอันนี้คิดไปเลยนะคิดไปได้เลยแต่กรอบนอกอย่าให้มันเลยไปกว่านี้ก็คืออย่าคิดเบียดเบียนอย่าคิดที่จะพยาบาทแล้วก็อย่าคิดที่จะให้คิดที่จะดมบริออกจากการเหล่านี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ มันก็ทำให้เราก็ต้องคอยมาดูแลดูแลตรงไหนดูแลจิตใจนี่แหละเพราะธรรมะทั้งหลายทั้งมวลนะมันก็เริ่มมาจากใจจากความรู้สึกในใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทเริ่มที่ตรงไหนก็เริ่มที่จิตใจของเราให้เรามีสติคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆให้สติของเรามเป็นสติที่แจ่มชัด ไม่ใช่เชื่อเลือนหลงพัฒนาให้มันเป็นใจที่ตื่นรู้แล้วก็เบิกบานเพราะฉะนั้นก็วกกลับมาตรงที่ว่าวันนี้ก็พูดถึงมงคลใช่ไหมมงคลระสรที่มาที่ไปของมงคลสะสรก็คือ มีการถกเถียงกันนั่นแหละว่าอะไรบ้างที่มันเป็นมงคลพระพุทธเจ้าก็มาเป็นคนที่สรุปแล้วก็ไขปัญหาข้อนี้ให้ก็มีตั้ง38อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงเอาไว้ก็คือเรื่องต้นที่ไม่ครบคนพาไม่ครบบัณฑิตจนสุดท้ายก็น่นแหละพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกมัมปติ อะโซกังวิเจัเขมังเอตมังกลธรรมตมังพุทธะโลกธรรมะหีก็คือบุคคลใดที่เมื่อมีโลกธรรมได้ถูกต้องแล้วถูกต้องคือที่ทททใจนะจิตของบุคคลใดที่ถูกโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตตังยัตสานกรรมปติจิตของบุคคลนั้นเนี่ยไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวอะโซ่กลางก็คือไม่โศวิทัชังก็คือไม่เศร้าหมองเคมังก็คือเป็นจิตที่มันผ่องใสเป็นความเกษมเหล่านี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเอตตมมังครมุตัมังเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดก็มาจบที่ตรงนี้แหละข้อที่สาป ซึ่งเวลาที่ถ้าเราไล่เลียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจกากหยาบไปหาละเอียดนั่นแหละเริ่มจากการที่เลือกคบคนใช่ไหมไม่คบคนไม่ดีให้คบคนดีจนสุดท้ายก็มาถึงเรื่องของใจแล้วนะทำนิพพานให้แจ้งนะเราถูกโลกธรรมเราไม่หวั่นไหวเป็นใจที่มันไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวไม่โศก เป็นใจที่เกษมผ่องใสอันนี้ก็คือการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเปรียบเป็นมงกล38เนี่ยมันก็เหมือนกระดเป็นบันไดที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆบันไดชั้นแรกก็คืออะไรการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตเหล่านี้ก็เป็นบันไดเบื้องตน้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆเไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายก็คืออ่า นิพพานะสัจจิกิริยาใช่ไหมการทําพันนิพพานาให้แจ้งได้แล้วกม็มาจบตรงที่ว่าพุทธสโลกธรรมเมหิก็คือหลังจากที่เราบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยเวลาที่คนบรรลุนิพพานแล้วมันจริงจังแล้วผลที่ได้ก็คือเมื่อถูกโลกธรรมถูกต้องก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาสรรเสริมมีสุขมีทุกข์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่มัน ถ้าเราอยู่บนโลกเราต้องเจอแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่มากระทบใจเราถ้าเราถูกเรื่องแดอย่างเหล่านี้มากระทบใจแล้วคนที่ทานี้ผ่านให้แจ้งได้แล้วนะผลที่ได้คือใจมันจะไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องแดอย่างอันนี้ไปกับโลกธรรมแปดอย่างอันนี้จิตมันก็จะเป็นจิตที่อโศกัรมก็คือไม่โศวิรชังก็คือไม่ ไม่เศ้าหมองเข้มังกก็คือเป็นจิตที่เกษมผ่องใสอันนี้ก็เราก็เป็นผลผลจากการที่เราทำพระนิพพานให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาที่ใจเรา น, นั่คือตรัสตั้งแต่เบื้องต้นต้นทางจนถึงปลายทางแสดงแจกแจงเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะพัฒนา ชีวิตของเราเนี่ยเราเรายังนึกไม่ออกว่าเราจะวางไม้แมหรือว่าวางแมพของชีวิตเราทางเดินไปยังไงให้มันพัฒนาไปในทางดีเรื่อยๆมงคล38นี้ก็เป็นแผนที่ชีวิตให้ให้ได้ได้ดีมากๆอันหนึ่งเราพัฒนาจากที่เราจับต้องได้เลยก็คือคนรอบข้างเรานี่แหละ พัฒนาไปเรื่อยๆก็อย่างเช่นความแก่เป็นี้นะต้องเปิด่ผย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยนี่นแหละตั้งแต่มีการศึกษามิตรเป็นผู้ฟังให้มันมากนะเป็นผู้ฟังมากศึกษามากเป็นผู้ที่เรียกอะไรไม่รอนเลยครอบครัวท่านก็สอนเอาไว้นะ บุตดารัสังโกโฮก็คือให้ดูแลบุตรภรรยาให้ดีอันนี้ก็เป็นมงคลอีกข้อนหนึ่งหรือแม้แต่ขั้นตีจะโซวาจัสตาเป็นผู้ที่มีขันติและโสระจะอันนี้มันก็เริ่มที่จะขยับเข้าไปที่จิตใจแล้วเพราะนั้นก็สอนตั้งแต่หยับหยากข้างนอกที่จับต้องได้ดตาหูจมูกลิ้นกายน่แหละจนกระทั่งละเอียดลอไปจนถึงจิตใจจนถึง การทำพระนิพพานให้มันแจ้งให้มันได้ก็เป็นแนวทางชีวิตที่ดีที่ถ้าเรานำมาเป็นแผนที่ทางเดินให้กับชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่แนะนำเลยว่าน่าจะลองเอาไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีสดมน์ด้วย นึ่งในนั้นก็จะสวดอันนี้แหละมงคลลูศูตยตอนรับความเป็นมงคลให้กับวันใหม่ของปีอย่างน้อยๆจะสวดแล้วเนี่ยก็ได้รู้ที่มาที่ไปบ้างได้รู้ความหมายคร่าวๆบ้างมันก็จะได้อินสักนิดนึงนว่าสิ่งที่เราสวดไปไมันไม่ได้สวดเอาครั้งีอย่างเดียวแต่สิ่งที่สวดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นหลักธรรมคําสอนที่ เป็นภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาที่ใช้กันในสมัยบบโบราณทําไมเราถึงยังใช้ภาษามาคตแบบนี้อยู่ก็คือมันก็เหมือนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยสมมติเราแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยกับคนที่เขามีความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ย เวลามาอ่านภาษาไทยที่แปลแล้วเนี่ยบางครั้งบางอันมันก็จะรู้สึกแบบเป็น question mark ขึ้นมาว่าที่มันได้นัยยะที่มันตรงกับต้นฉบับไหมเพราะฉะนั้นโบราณจารย์ก็เลยตัดปัญหาซะก็เลยหมายถึว่างั้นเราก็คงคงภาษาเก่าเอาไว้ด้วยส่วนใครอยากรู้ในรายละเอียดคุณก็ไปหาเอาตรงที่เขาแปลเอาไว้ แต่อย่างน้อยๆพอคงภาษาเก่าไว้เราก็ได้มาเรียนรู้หลักไวยากรได้มาเรียนรู้ถึงความรู้ที่เราจะเข้าใจในภาษาเก่าคือภาษาโคตอันนี้พำไมเป็นอย่างนั้นเพิ่มเนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่าได้รู้ความหมายดั้งเดิมภาษาเก่าเหมือนเรารู้จักภาษาอังกฤษโดยความหมายของในตัวของมันเอง แต่กับการที่เรารู้จากภาษาไทยที่เขาแปลมาจากภาษาอังกฤษเี้ยมันก็จะความซับซึ้งในในยะของคำสอนคำที่ใช้มันก็จะต่างกันอันนี้ก็พอพูดได้เพราะว่าก็โดนบังคับเรียนภาษาบาลีมานิดหน่อยพอมีความรู้พอจะแปลได้บ้างรู้ที่มาที่ไปของคำศัพท์บ้างอะไรเงี้ย ก็จะยิ่งรู้สึกได้เลยว่ามันก็ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์ได้วางแนวไว้นะว่าโอเคภาษาไทยเราอ่านเราก็เข้าใจแต่พอบางอย่างเรารู้ถึงตัวภาษาบาลีหรือภาษามกตแล้วเนี่ยเราก็มีความทราบซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีความลึกซึ้งในความหมายในในการเรียนประโยคของภาษาบาลีเอาไว้ มันก็ซ่อนเงื่อนซ่อนความหมายเอาไว้ในการเรียงในการแต่งประโยคเอาไว้พอเราเข้าใจก็มีความทราบซึ้งเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เรารู้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวพันั้นก็นี่แหละเราจะได้ทราบซึ้งกับมันบ้างเพิ่มขึ้นบ้างเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่า ฟังภาษาบาลีแปลไม่ออกเราก็รู้ภาษาไทยคร่าวๆว่าหมายถึงอะไรเวลาเราสวดมนต์ไปด้วยเราก็จะได้รู้สึกคร่าวๆเนื้อหามันประมาณนี้นะอย่างน้อยๆถึงจะไม่ได้แปลได้ทุกบททุกบาทแต่เรารู้ว่าคร่าวๆเขากาลังหมายถึงอะไรอยู่เนี่ยสวดไปเราก็จะได้น้อมใจตามไปด้วยได้ว่าเขาก็มีเนื้อหาประมาณนี้สอนใจเราได้ประมาณนี้ประมาณนี้ พอสอนไปแล้วนี่มันก็ทำให้ใจเราสงบปประงับได้